พวกเราทั้งหลายเนะี่ยที่ตั้งใจในการฟังพระธรรมในครั้งนี้ก็มาศึกษาในมงคล3าสบดต่อในการศึกษามงคลแต่ละครั้งกันแต่ละวันเสาร์เนี่ยเนะี่ก็ตอนนี้ก็มาได้หลายมงคลแนละ้วก็ขอทบทวนมงคลให้ฟังกันเป็นไปนตามลำดับนะื้คาถาที่หนึ่งเนี่ยเนะี่ยเริ่มตั้งแต่ว่า อาเศเวนาจะภารานางในการไม่ครบคนผานหนึ่งปันดิตตานั้นจะเสวนาการครบบันดิตหนึ่งูชาจะปูชนียนางการบูชาบุคลบคลผู้ควรบูชาหนึ่งคาถาที่สองมีอยู่สามงคลคือว่าปฏิรูประเทสวาโสการอยู่ในประเทศที่สมควรปรเุเพจจักตะปุญญาตาการทำบุญไว้ในปางก่อนอัตสัมมาปณิธิการตั้งตนไว้ชอบ คาถาที่สมก็มีอยู่สมงคลพาหุสัจจังการฟังมากสิบปังการศึกษาศิลปะวินโยจะสุสิขิโตวินัยที่ศึกษาดีแล้วสุภาษิตาจะยาวาจาวาจาสุภาษิตคาถาที่สี่มีอยู่สีมงคลมาตุอุปทานางการบำรุงบีมานดาปีตุอุปทานางการบำรุงบิดาปุตตะทธธารสะสังกโหการส่งขอบบุตร และภรรยาอนาคุราจะกรรมมันตาการงานที่ไม่อากูลข้างค้างแล้วก็คาถาที่ห้ามีอยู่สี่มงคลทานั้นจะทานคือการให้ธรรมจริยาการประพฤติธรรมญาตการนั้นจะสังกโหการส่งเคาะญาติอนาวชานี้กรรมานนี้การทําการงานที่ไม่มีโทษคาถาที่หมีอยู่สามมงคลคนอรติเวรติปาปาการงดเว้นจากบาป มัชปานาเจสัญญโมการสัมรวมจากการดื่มน้ำเมาอปมาโดจะทำเมสุความไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลายคาถาที่เจ็ดมีอยู่ห้ามงคลคาราวโความเคารพนิวาโตความประพฤติถ่อมตนสันตุทีความสันโดษกตัญยูตาความกตัญญูรู้คุณท่านกาเลนะธรรมะสวนังการฟังทำตามการคาถาที่แปดมีอยู่สี่มงคลขันติความอดทน โสวะจัดสตาความเป็นผู้ว่าง่ายสมนานันจาดดัสนังการได้เห็นพระสมณะกาเลนะธรรมภาษากัะชาการสนทนาธรรมตามการคาถาที่เก้ามีอยู่สี่มงคลนะตะโปวความเพียรเผากิเลสพระมจริยังการประพฤติพรหมจรรย์อริยสัจจานัดสนังการเห็นอริยสัจว์่นิพานศสัจคิกริยาการกระทำพระนิพานให้แจ้งคาถาที่สิบ เป็นคาถาสุดท้ายเนี่ยพุทธะโลกธรรมเมหิจิตตังยสานกรรมปติจิตของผู้ใดถูกโลกธรรมกระทบกระทั่งแล้วไม่หวั่นไหวหนึ่งอโศกังความไม่เศร้าโศกวีระชังจิตที่ปราศจากธุรีคือกิเลสประการสุดท้ายก็คือเขมังอันนั้นหมายความว่าจิตที่กเกษี จ, จากโยคะทั้งสี่เออในมงคลและสูตรนี่นะที่กาลังศึกษาและทาความเข้าใจและอธิบายกันเนี่ย อธิบายตามกครรมพีขุทกานิกายขุทกากปาถะและก็ในคมพีอัฏกถานที่เอามาศึกษากันครั้งที่แล้วได้พูดถึงมาจบลงไว้ตรงที่มาขึ้นมงคลมงคลที่แปดคันติวันนี้พูดเรื่องคันติเนพูดถึงคันติก็คือว่าพูดในเรื่องความอดทนในลักษณะคันติที่แปลว่าความอดทนเนี่ยในมงคลเนี่ย ท่านบอกว่าขันติคือความอดทนเป็นตะบะอย่างยิ่งความอดท น, นเนี่ยเนี่ยได้ใช่ไหมจำได้ไ่าใช่เนี่ทีนี้พูดถึงในเรื่องของความอดทนเนี่ยอัตถกถาท่านอธิบายว่าขันติได้แก่ความขมใจความอดทนความอดกลั้นทีนี้ผู้ที่จะอดทนอดกลั้นต่ออารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาได้นั้นเน่ต้องใจเย็นคือไม่มีโทสะก็ ค, คือความโกรธต่อเพราะฉะนั้นน่นะองค์ธรรม องธรรมของขันติเนี่ยสำคัญมากองธรรมได้แก่อโทสะเจตสิกคําว่าอโทสะเจตสิกเนี่ยเข้าหมายความว่าเจตสิกที่ไม่ไม่โกรธมีความไม่โกรธเป็นเป็นลักษณะลักษณะของขันติเ น, เนี่ยคือความไม่โกรธเขาเรียกว่าอโทสะเจตสิกขันติน่ะย่อมมีได้เพราะอาศัยฮิริและโอตปะและโอตปะความสะดุ้งกลัวต่อ บ, บาปพูดง่ายๆก็คือว่าการที่จะเห็นโทษของโทสะคือความโกรธซึ่งเป็นธรรมที่ตรงกันข้ามกับขันตินั้น เป็นธรรมที่จะทำลายขันติผู้ที่จะอดทนได้ไม่โกรธตอบจึงเป็นที่ยกย่องของบุพุทธเจ้าและบัณฑิตทั้งหลายหรือผู้ที่เห็นโทษของการเกิดและอดทนต่อความทุกข์ที่ได้รับก็จัดเป็นขันติท่านก็ยกตัวอย่างบอกว่าความอดทนของพระเตมีโพธิสัตว์ที่ไม่ยินดีในราชสมบัติเพราะเกรงว่าเมื่อคลองราชสมบัติแล้วจะต้องสั่งฆ่าคนอันเป็นเหตุให้ ต้องตกนกรกจึงทนลําบากทําเป็นไบ่อยู่ถึงสิบปีอันนี้ก็จัดเป็นขันติที่ยอดเยี่ยมโดยถ้าเราดูจากคําสอนตรงนเนี้นะ ก, ก็ทําให้ให้เข้าใจได้ว่าว่าสภาพของขันติเนี่ยมันมีว่าตีติขาขันติขันติคืออดออมอย่างหนึ่งทิติขันติขันติคือทนทานคือขันติที่มั่นคงนั้นอย่างหนึ่งอธิวาสนาขันติ ขันติคือความอดกลั้นอันนั้นท่านพูดถึงในเรื่องของความยับยั้งชั่งใจไว้ด้วยทีนี้ว่าขันติเนี่ยอดออมใจของเราธรรมดาเนี่ยถามว่าหิวกระหายความอยากเป็นกําลังอยากในทางที่ชอบบ้างอยากในทางที่ไม่ชอบบ้างทีนี้ใจที่อยากในทางที่ดีทางชอบเนี่ยเป็นใจสูงใจที่หักห้ามในตนเองได้ไม่ให้โลภโกรธหลงเป็นต้นอ่ะซึ่งเป็นลักษณะของความอด อดกลั้นนั่นละลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าอดอดออมเคืออีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่าทนทานหรือมั่นคงเนื้อบุคคลที่มีใจทนทานได้เนื้อทนตรากตําในทางทํางานทั่วไปทนต่อความหิวทนต่อความกระหายทนต่อความเหน็ดเหนื่อยมุ่งมั่นประกอบการงานเป็นสําคัญทนลําบากต่อทุกขเวทนาอันเกิดจากความเจ็บป่วยไม่กระวลกระวายเนี่ย ดำรงอยู่ในภาวะปกติอันนั้นชื่อว่าผู้มีทิตฐิคันติคือทนทานหรือมั่นคงตรงนี้สำคัญมากนะว่ายกตัวอย่างว่าเวลาเกิดความทุกข์ทุกข์ทางกายขึ้นมาก็ดีนอความเจ็บป่วยเนี่ยถ้าหากว่าคนที่มีคันติเนี่ยเขา ก, เขาก็เขาก็ไม่บนออกมาใช่ไหมแต่ถ้าคนไม่มีคันตินะปวดอยู่นิดเดียวร้องเกินกว่าปวด อ, อย่างเงี้ยมี่ก็เรียกว่าไม่มีความ มันคงส่วนอธิวาสนาขันติเขาแปลว่าขันติอดกลั้นหรือยับยั้งเนี่ยยับยั้งใจไม่ให้โกรธในเมื่อผู้อื่นแสดงกิริยาก้าเกินหรือล่วงเกินอย่างเช่นคนสบประมาทลบหลู่ซึ่งหน้าก็อดทนรักษาความเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายเขาไว้ไม่โต้แต่ไม่โต้อตอบทีนี้กิริยาวาจาต่างๆเนี่ยก็ไม่แสดงกิริยาวาจาที่เลวร้าย ตอบอย่างเงี้ยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าอธิวาสนคันติคันติคือความอดกลั้งยั่งยืนนักปราชญาเขาก็สรรเสริญบอกว่าคันติประเภทนี้เป็นคันติชั้นสูงนะเพราะรวมเอาคันติข้ออื่นเข้าอยู่ในตัวของคันติในข้อนี้ด้วยฉะนั้นอธิวาสนะคันติมีคันติเป็นเป็นรากเงาเนี่ยนีบอกว่าคันติคําว่าคันติเนี่ยเขแปลความอดทนเนี่ย ทีนี้ถ้าเราไปศึกษาในคําสอนเนี่ยนะระหว่างขันติกับวิริยะเนี่ยใกล้เคียงกันมีความใกล้เคียงกันมากก็บอกว่าขันติอยู่ที่ไหนวิริยะก็อยู่ที่นั่นโดยอย่างในอิทธิบาทเนี่ยฉันทาวิริยะจิตตาวิมังสา ไ, กกาไม่มีขันติในมรรคแปดก็มีวิริยะไม่มีขันติในหมวดเวสารัชณะเป็นต้นก็ไม่มีไม่มีมีวิริยะแต่ก็ไม่มีขันติเป็นต้นเหล่านี้ฉะนั้นในมงคลข้อที่8เนี่ย มีขันติแต่ท่านไม่ได้กล่าววิริยะเขาไว้ทีนี้ถ้าไปดูในมงคลทีปนีภาคสองและคำพี์อัตถกถาในปรมัตตโชติกาคุตตกาปาถะท่านก็ให้ความหมายเขาไว้บอกว่าคันติในมงคลข้อนี้หมายถึงอธิวาสนะขันติซึ่งถ้าภิกษุมีขันติข้อนี้แล้วแม้จะถูกคนอื่นด่าในอกโกสวัตถุสิปการนะีก็หมายความว่า เยอะเรื่องที่จะยกขึ้นมาด่าเนี่ยนะเช่นด่าว่าแกเป็นโจรแกเป็นพานแกเป็นคนหลงแกเป็นวัวแกเป็นปลาแกเป็นอูดแกเป็นสัตว์นรกแกเป็นสัตว์เดรัจฉานแกเป็นคนไม่มีหวังที่จะได้ไปสวรรค์คนอย่างแกต้องไปตกนรกแน่นอนเนี่ยคําพูดลักษณะอย่างเงี้ยสมัยก่อนเขาด่ากันก็แกเป็นคนหลงเขาาเขาาเขาาด่ากันอย่างเงี้ยนียด่า คำด่าสมัยก่อนเนี่ยก็ด่าเป็นอูดบ้างเป็นลาบางสมัยก่อนเขาโกรธสมัยปัจจุบันนี้ถ้าไปด่าอย่างนี้ก็ไม่ไปทำธรรมดาก็มีสั์ด่าแปลกๆแล้วคนไทยกับคนต่างประเทศด่าก็คำด่าก็ไม่เหมือนกัน เ, นเขาเขามีความรังเกียจต่างกันเออแต่คนไทยเราดีบางคำนี้ฝรั่งฟังแล้วขำเขาไม่โกรธแต่ว่าฝรั่งเขา เขาเห็นเป็นเรื่องคาแต่คำที่ฝรั่งก็โกรธมากเลยคนไทยก็ฟังเป็นเรื่องคำฉะนั้นคำว่าอธิวาสนาขันติเนี่ยก็แปลว่าอดทนต่อเสียงด่าได้หรือว่าถูกคมเหง จ, จิตใจก็ดำลงจิตของตนไว้ในฐานะที่ดีกว่าคนที่มาด่ารังแกตนโดยที่ท่านไม่ทำความชั่วตอบอย่างเช่นว่าท่านพระปุณณนะท่านพระปุณณะเนี่ยท่าน จะกลับไปที่บ้านเกิดของท่านเพื ป, ประกาศพระศาสนาพระพุทธเจ้าก็ถามบอกว่าเออถ้าหากว่าไปหนะ้าที่ตรงนั้นแล้วเนะี่ยถ้าเขามาด่าจะทํำยัำยงไงเป็นต้นเนี่ยเนี่ยเออท่านพระคุณณะก็บอกว่าเออก็ยังดีกว่าเขามาทุบตีเป็นต้นอถ้าเขามาทุบตีดีกว่าเขาคว้างป่าได้ก้อนหินบ้างดีกว่าเขาเอาสัตตรามาฟันดีกว่าเขามาฆ่าเป็นต้นเอาถ้าเขาฆ่าเธอให้ตายแล้วก็ดีแล้วบอกว่าสังขารเนี่ยมันเป็นทุกข์อยู่แล้วใช่ไหมเออ ปกติเนี่ยมันถ้ามันแตกดับไปได้ไมันก็ดเีเราไม่ต้องไปทำร้ายด้วยพระจากันหนุยานี้แปลว่าคนที่มีขันติระดับเยี่ยมยถ้ามีแบบนี้ก็ส่งไปภาคใต้สบายเล ย, เยจากหลักฐานที่ยกมาเนี่ยนีขันติในมงคลนะหมายถึงอธิวาชนะขันติซึ่งเป็นขันติชั้นยอดเยี่ยมฉะนั้นความอดทนที่เรียกว่าอธิวาชนะขันตินะั้นะหมายถึงความอดทนต่อการล่วงเกินของคนต่ํากว่าเราเ้ว่องน ทีนี้ผู้ปฏิบัติธรรมที่มีอธิวาสนาคันติไม่ว่าจะในสมัยครั้งพุทธกาลหรือสมัยเนี้เนี่ยถ้าศึกษาฟังธทรรำจําศรรีลภาวนาแล้วเนี่ยต้องถูกคนที่เขาแย่กว่าเราเนี่ยต่อว่าโดยประการต่างๆเช่นถ้ามีคนก็มาพูดเปรียบเลยว่าจะไปสวรรค์นิพพานเป็นต้นเราเนี้ยนี่ยเป็นคนใจแคบเป็นต้นเหล่าเนี่ยถ้าหากว่าถูกตําหนิติฉินในลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ย ก็เป็นบุคคลที่วางเฉยแล้วก็หนักแน่นเหมือนแผ่นดินลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าขันติขันตินั้นเป็นพื้นฐานของคุณธรรมอื่นๆเนะีเช่นว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีขันติพระพุทธองค์ตรัสบอกว่าขันตินั้นเป็นมงคลอันสูงสุดทีนี้หลักธรรมเนี่ยนะที่ควรศึกษาเพื่อจะได้เป็นอุปการะแก่ขันติเนี่ยบุคคลอดทนต่อถ้อยคําของผู้ประเสริฐกว่าได้ก็เพราะความกลัว อดทนต่อถ้อยคําคนที่เสมอกว่าได้เพราะการแข่งขันเป็นเหตุส่วนผู้ใดในโลกนี้อดทนถ้อยคําของคนที่เร็วกว่าได้สัตว์บุรุษทั้งหลายกล่าวความอดทนของผู้นั้นว่าสูงสุดเออมาพิจารณาอย่างนี้นะว่าเช่นถ้าคนที่เขาประเสริฐที่เขาสูงกว่าเราเขาําหนีเราเนี่ย น, นี่เพราะเรากลัวใช่ไหมเขาไม่เรียกว่าอดทนมากเท่าไหร่หรอกหรือถ้าคนเสมอกับเราเนี่ยมันก็เออเป็นการแข่งขันซึ่งกันและกันก็ไม่จัดว่าอดทนที่สูงสุด แต่ถ้าคนที่แย่กว่าเรามาตําหนิกว่าเรามาตําหนิเราเนี่ยนะแล้วเราสามารถอดทนได้อย่างนั้นเขาเรียกว่าเป็นความอดทนที่สูงสุดแต่ถ้าถูกคนที่เขาเป็นอยู่ใต้บงังคับบัญชาใช่ไหมมาชี้หน้าด่าและทนได้ถือว่าอดทนสูงสุดก็ <c oughs> แต่ถ้าคนหน้าที่สูงก็เราด่าเราเนี่ยอันนี้อันนี้ไม่ไม่ประเสริฐมันจําเป็นต้องอดทนอยู่เลยบุคคลผู้ถูกจับไล่จากแว้นแคว้นของตนไปสู่ทิ่นอื่น ควรสร้างฉางใหญ่ไว้สำหรับเก็บคำหยาบคายทั้งหลายก็แปลว่าถ้าหากว่าเป็นคนถูกไล่เอายกตัวอย่างนะเช่นว่าถูกตราหน้าถูกไล่ออกหรือว่าถูกกระเพิ่จากที่หนึ่งไปอยู่อีกที่หนึ่งเนี่ยบอกว่าเตรียมยุ่งฉางใหญ่ๆไว้เอาไว้เก็บคำดา่าก็คือว่าโดยความหมายก็คือว่าเขาเขาไม่ชมเราเนี่ย ก็จะมีคนตีฉินกันทั้งบางเลยเนี่ยนะก็ต้องต้องเก็บไว้บุคคลอยู่ในสำนักของผู้ไม่รู้จักชาติและโคตรของตนไม่ถึงทำการถือตัวในที่นั้นไม่มีใครรู้จักตนโดยชาติหรือโดยวินยัยฉะนั้นคนผู้มีปัญญาเปรียบเสมอได้ไฟเมื่อไปอยู่ต่างถิ่นพึงอดทนแม้จะเป็นคำขู่ต่ข้อของาธาตุกระดามก็บอกว่าถ้าไปอยู่ต่างถิ่นอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ต้องท่านก็บอกว่าต้อ ง, ต, องต้องอดทน ในคําสอนพระพุทธเจ้าสอนบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นคนสงบเสงี่ยมจัดเป็นคนอ่อนโยนจัดเป็นคนเรียบร้อยจัดได้ก็เพียงช่วงเวลาที่ยังไม่ได้กระทบถ้อยคําอันไม่เป็นที่พอใจเท่านั้นก็แปลว่าเออเป็นคนสงบเสงี่ยมอ่อนน้อมถ่อมตนก็ในเวลาที่ไม่มีใครด่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อใดเขากระทบกระทั่งถูกถ้อยคําอันไม่เป็นที่รักที่พอใจก็ยังเป็นคนสงบอ่อนโยน เรียบร้อยอยู่ได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อนั้นแหละควรถือว่าเป็นเป็นคนสงบเสงี่ยมเป็นคนอ่อนโยนเป็นคนเรียบร้อยอยู่ถ้าหากว่าเออโดยปกติเห็นเป็นคนสงบใช่ไหมเช่นเออคนคนนี้มันญาติดีนะเนี่ยเป็นคนเรียบร้อยไม่ค่อยพูด อ, อยิ้มแย้มแจม่มใสใช่ไหมเอออย่าเพิ่งไปเบาใจว่าคนคนนี้เขาเป็นอย่างนั้นก็แต่ถ้าได้รับ แลงกระทบกระเทือนแล้วเนี่ยถูกตําหนิตีชินแล้วเนี่ยก็ยังสงบเสงี่ยมเรียบร้อยเนี่ยใช่ไหมอันนี้ถือสงบเสงี่ยมจริงก็เหมือนอย่างที่ในสูตรที่เคยเอามาศึกษากันที่บอกว่าคนใช้ทดลองเจ้านายใช่ไหมอยากจะรู้ว่าเจ้านายมีความโกรธหรือเปล่าก็ปกติอ่ะคนใช้เนี่ยตื่นแต่เช้าทํางานบ้านทําอะไรต่างๆใช่ไหมเสร็จเรียบร้อยเป็นอย่างดี ก็เลยมาคิดดูว่าเออใครๆเขาก็ว่าเจ้านายตนเองเยเป็นคนเรียบร้อยเป็นคนนิ่มนวลเป็นคนสุภาพอ่อนโยนเป็นคนใจดีเออเขาอยากจะรู้ว่าเจ้านายของเรานี่ยดีอย่างที่ชมพันเขาเรือน <c oughs> ก็เลยแก้งตื่นสายเลยได้เรื่องเลยตอนนี้ <c oughs> เสียงตะโกนออกมาเลย <c oughs> แล้วก็ทดลองไปทั้งสามครั้งครั้งที่สามไม่ใช่ไม่ใช่ได้ยินเสียงด่าแล้วโดนไม้คว้างเลยหัวแตกเลยโดนด่าเลย แล้วก็เลยก็เลยไปตะโกนบอกชาวบ้านให้รู้ว่าเออที่ท่านทั้งหลายพากันมอบรางวัลให้ให้เกียรตินิยมเป็นคนเรียบร้อยนะไม่จริงหรอกดูหัวฉันเป็นด้วยเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เอาเรื่องนี้มาเล่าเล่าให้พระฟังว่าเออเนี่ยในยามที่ดูท่านทั้งหลายที่สงบส ง, งยมที่ยังไม่ได้กระทบอารมณ์อันไม่อันไม่ที่ไม่น่าชอบใจนะไม่ใช่ว่าสงบส ง, งยมจริงนะ แต่ถ้าเวลาใดเจออารมณ์ที่ไม่น่าชอบใจเธอทั้งหลายก็สงบเสงี่ยมอยู่ได้เอออันนี้ชื่ อ, อว่าสงบเส ง, ส ง, ส ง, ส ง, สงสี่ยมวะเงินพระพุทธเจ้าก็เอามาเตือนเออล้วเป็นางานจริงจริงนะเราเห็นเวลาเข้าไปในงานสังสรรค์งานอะไรทั้งหลายเนี่ยทุกคนมารยาทดีหมดเลยนะเรียบร้อยแต่มันยากดีหมดพิสูจทั้งหลายแม้ถ้าว่าชนเหล่าอื่นพึงดา่าพึงบริพาดพึงกโกรธพึงเบียดเบียนพึงกระทบกระเทียบ ท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายไม่พึงกระทําความอาฆาตไม่พึงกระทําความโทมนัสไม่พึงกระทําความไม่ชอบใจในชนเหล่านั้นเราอื่นเพราะเหตุนั้นและพิสูจทั้งหลายแม้เท่าว่าชนเราอื่นพึงมอบสการะพึงเคารพพึงนับถือพึงบูชาท่านท่านทั้งหลายก็ไม่พึงทําความโทมนัสไม่ถึงทําความเยื่หยิงในใจในปัจจัยทั้งหลายมีสกราสกระเป็นต้นดูก่อนภิกษุทั้งหลาย กเการกระทําในลักษณะอย่างนั้นชื่อว่าเป็นบุคคลที่มีความอดทนเฉะนั้นเราบอกว่าถ้าเขาดา่าเขาบริภาศเขาเบียดเบียนเขากระทบกระเทีย่ยบเขาพูดแดกดันอะไรต่างๆเหล่านี้เราก็ไม่กระทําความโทมนัสให้เกิดขึ้นในใจได้อันนี้ถือว่าเป็นเยี่ยมแล้วหรือถ้าเอาเข้ามาบูชาเรานำส ก, การะมาชื่นชมเราเนี่ยนะมายกย่องเราเนี่ย จิตก็ไม่โฟขึ้นจังเหลงลืมตัวโอจะทําทได้อย่างนี้ดีอย่างดูก่อนภิกษุทั้งหลายในอัลกัตูปมาสุตรนี่หากมีพวกโจรเขาบอกว่าเอาเลื่อยที่มีที่จับทั้งสองข้างที่มีคนจับทั้งสองข้างมาเลื่อยอวัยวะใหญ่น้อยของพวกเธอแม้ในเหตุนั้นภิกษุและภิกษุณีรูปใดมีใจคิดร้ายต่อโจรเหล่านั้นภิกษุหรือภิกษุณีรูปนั้นไม่ชื่อว่าเป็นผู้ทําตามคําสั่งสอนของเรา เพราะตุที่อดทนไม่ได้โอมามานี้ยากแต่ว่าชี้เห็นว่า อ, อต้องทําให้ได้อย่างอันนั้นคือจุดมุ่งหมายนะอันนั้นเป็นเป้าหมายที่ตั้งเขาไวา้ปัจจุบันอาจจะทําไม่ได้ใช่ไหมแต่ก็ตั้งไว้ในใจ ย, ย่าว่าจะมาเลื่อยเลยถอนขนเส้นหนึ่งแค่นั้นก็โอดกอดกันแย่ yeah, เลย <c oughs> พูดพูดพูดเฉียดนิดเดียวกันนะั้นบอกอืม mm hmm. เป็นเรื่องเป็นราวเลยฟ้องรองกันเยอะๆไม่ต้องพูดถึงว่าเอาเลื่อยมาตัดเอาอยาวะ ดูก่อนพิกษุน์ทั้งหลายบางทางแห่งถ้อยคําที่บุคคลอื่นจะพึงกระทําต่อท่านมีอยู่5้าประการเขาบอกว่าคนที่พูดกันอยู่ในโลกเนี่ยที่จะพูดกับเราเนี่ยมีอยู่5้าประการดท่นั้นแหละท่านทั้งหลายให้ศึกษาเข้าไว้หนึ่งกล่าวการนั้นสมควรหรือไม่สมควรก็ดังคือคําพูดนี้นะเขาจะกล่าวในการที่สมควรหรือไม่สมควรก็ตามนะั้นประการหนึ่งสองกล่าวด้วยเรื่องจริงหรือไม่จริงก็ตาม ประการที่ 3. กล่าวด้วยถ้อยคําอ่อนหวานหรือถ้อยคําหยาบคายก็ตาม 4. กล่าวด้วยค่อยคําที่ประกอบด้วยประโยชน์หรือไม่ประกอบด้วยประโยชน์ก็ตาม 5. มีจิตเมตตาหรือมีโทสะในภายในถึงการกล่าวก็ตามฉะนั้นหนากว่ า, วาดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าจิตของเราจะไม่แปรปวนเราจะไม่เปล่งวาจาลามกเราจะอนุเคราะห์ด้วยสิ่งอันเป็นประโยชน์ เราจักมีเมตตาไม่มีโทสะในภายในเราจักเจริญเมตตาจิตไปในบุคคลนั้นและเราจักจะแผ่เมตตาจิตอันไพบุญยิ่งใหญ่หาประมาณไม่ได้ไม่มีเวรไม่พยาบาทไปตลอดทุกทิศารนุทิดซึ่งเป็นอารมณ์ของจิตนั้นนี่ในกกจูปะมะสุดเน่ยสรุปก็คือว่ากล่าวในการที่สมควรหรือไม่สมควรกล่าวเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จกล่าวอ่อนหวานหรือหยาบคาย กล่าวคาที่เป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์มีเมตตาจิตหรือมีโทสะในภายในกล่าวก็ตามท่านทั้งหลายก็บอกว่าหนึ่งต้องทาอย่าทำจิตให้แปลปวนเนะนั้นะถ้าทำจิตให้ตั้งมั่นไม่แปลปวนแล้ ว, แ ล, วแล้วอย่าเปล่งวาจาลาโมกโตอตอบเขาแล้วก็เราจักอนุเคราะห์สิ่งันเป็นประโยชน์และประการต่อมาว่าเราจามีเมตตาไม่มีโทสะในภายใน เออพอมีเมตตาไม่มีโทสะภายในแล้วก็จะแผ่เมตตาไปให้กับเขาเหล่านั้นเออทําได้เลยนะถ้าทําได้ลักษณะอย่างนี้นี่ก็เรียกว่าเจริญเจริญเมตตาหรือเจริญคันติเลย น, นี่ดูก่อนพิสูจทั้งหลายโทษของความไม่อดทนห้าประการโทษคนที่ไม่อดทนนะมีโทษห้าประการนะห้าประการก็คือว่าผู้ไม่อดทนย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของคนเป็นนั้นมากนี่เราก็จําไว้ใช่ไหมบอกว่าเออคนไม่อดทนเนี่ยเขาเกลียด ใช่ไหมนนิดหน่อยก็ไม่อดทนนีน่นิดหน่อยก็ไม่อดทนเนี่ยคนไม่รักอะ่ะคนไม่ชอบใครๆก็เห็นหน้าเขาบอกอุย้ยอย่าไปยุ่งมึงเขาโกรธเราบอกโอ้ไม่ได้เลยเนี่ยเป็นคนขิ้งงคนนี้ประการที่สก็คือเป็นผู้มากด้วยเวรคือว่ามีเวรภัยเยอะแล้วก็ประการที่สมก็คือย่อมเป็นผู้มมากไปด้วยโทษสารพัดโทษเนี่ยประการที่สี่ก็คือย่อมเป็นผู้หลงทําการละหลงตายอะ่ะ ประการที่ห้าเมื่อตายไปแล้วก็เข้าถึงอบายทุกติวินิบาตแล้วก็นรกทีนี้ก็ก็ต้องก็ต้องก็ต้องศึกษาเนี่ยเพราะว่าถ้าหากว่าเราศึกษาคำสอนตรงนี้เกี่ยวกับเจริญขันติคือความอดทนได้แล้วเราก็จะได้รับอา น, นิสงส์อา น, นิสงส์ห้าประการก็ดังที่ได้กล่าวนี้แหละบอกว่าเป็นที่รักแล้วก็เป็นผู้ไม่มากโด้วเวรและประการต่อมาก็คือเป็นผู้มาก เป็นผู้มากโดยโทษถ้าไม่มีคันติเนี่ยนะที่น่ากลัวที่สุดก็คือว่าคนที่ไม่มีคันติเนี่ยจะหลงพอใกล้จะตายจะหลงแต่นี้ซึ่งเป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายก็ไม่ปรารถนากันใช่ไหมเป็นคนหลงเป็นคนที่เพอก่อนตายเนี่ยแลว้วพอตายไปก็มีอบายทุกขติวินิบาติโลกเขาเรียกว่าไปทุกขติในคัมภีร์เนติบุตรเนี่ยต้นกล่าวทุกขติไว้สองอย่างคืออบายทุกขติวินิบาติโรกเนี่ยอันนี้เป็นทุกขติ แน่นอนคือการไปเกิดเป็นเปรตเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์นรกเป็นอสุรกายเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นจัดว่าเป็นทุกขติโดยเที่ยงแท้แต่โดยอีกในหนึ่งคือการเกิดเป็นมนุษย์และเป็นพรหมก็จัดว่าเป็นทุกขติถ้าเทียบกับพระนิพพานพระนิพพานนี่เป็นสุขกตินะแต่ว่าอย่างพวกเราเนี่ยก็ยังจัดว่าเป็นทุกขกติอยู่เพราะว่ายังต้องทนทุกข์ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏก็ยังจัดว่าเป็นทุกขติอยู่นั่นแหละ ฉะนั้นถ้าเราดูจากอย่างนี้แล้วก็คือ อ, อถึงเราจะพ้นจากทุกขติกับเวอร์บายทุกขติวิจบาตนรกมาถึงปัจจุบันเนี่นะอนาคต น, นั่นเองใช่ไหมแต่ว่าทุกขติถ้าไปเทียบกับพระนิพพานเรายังไม่พ อ, อันนี้ก็เป็นสิ่งดีที่ควรที่จะต้องตึกอันนี้ก็เป็นอันว่ามงคลเกี่ยวคือขันตินี่นะก็กจบอภิการต่อไปก็คือว่าโสวจัสตาความเป็นผู้ว่างงานขันติ คันติเนี่ยเนี่ยคันติแปลว่าความอดทนประการต่อมาก็คือความเป็นผู้ว่าง่ายเนี่ยว่าง่ายเนี่ยเป็นประเภทความอ่อนโยนทุกคนอยากเกี่ยวข้องนะอยากทุกคนก็อยากให้เกี่ยวข้องของตนเป็นคนเดี๋ยวคนที่เกี่ยวข้องกับตนนะเป็นคนว่าง่ายใช่ไหมซึ่งซึ่งไม่อยากให้ใครว่ายากซึ่งเป็นประเภทของคนหัวดื้อนะทุกคนก็ไม่อยากเกี่ยวข้องกับคนหัวดื้อหรือคนที่ว่ายากฉะนั้นถ้าหากว่า เราไปเกี่ยวข้องกับลูกกับหลานกับญาติมิตรที่ที่ว่ายากว่าเราจะเหน็ดเหนื่อยมากยิ้มไม่ออกฉะนั้นคนว่าง่ายเนี่ยตามคําสอนเนี่ยนะบอกหนึ่งประเภทของคนว่าง่ายวิธีปฏิบัติให้เป็นคนว่าง่ายแล้วก็มงคลความเป็นคนว่าง่ายอันนี้สําคัญมากก็คือว่าคนว่าง่ายมีอยู่สองประเภทคือว่าง่ายเพราะเห็นแก่ได้ กับว่าง่ายเพราะเห็นแก่ความดีเออคนคนเห็นแก่ได้ก็มีนะที่ว่าง่ายเนี่ยนะเช่นว่าเมื่อมีลาบผลหรือมีสการะรอยอยู่ข้างหน้าคิดว่าลาบวัตถุสิ่งของของนั้นนะ น, นะจะได้ลาบสมใจหมายถึงต้องแซงทํากริยาอาการว่าเป็นคนว่าง่ายแต่พอได้ลาบได้ผลตามที่ตนเองต้องการแล้วก็เลิกฉะนั้นลักษณะของความเป็นผู้ว่าง่ายเนี่ยเขาบอกว่า ว่าง Normally, ่ายเพราะเห็นแก่ได้กับว่าง่ายเพราะเห็นแก่ความดีอันนี้ก็น่าเอาไปตั้งคําถามสอนลูกสอนหลานกันบ้างหรือสอนตัวเองเนี่ยนะลําดับแรกก็ขัดเกลาตัวเองก่อนพอขัดเกลาตัวเองได้แล้วก็ก็เริ่มไปถามคนอื่นบอกเออเนี่ยตั้งคําถามคนบอกไอ้ว่าง่ายมันมีสองอย่างนะว่าง่ายเพราะเห็นแก่ได้กับว่าง่ายเพราะเห็นแก่ความดีอันไหนดีกว่าเขาก็ตอบไปเห็นแก่ความดีเออถ้างั้น คุณก็ต้องประพฤติปฏิบัติคือว่าง่ายว่าเห็นแก่ความดีเออในว่าง่ายเพราะเห็นแก่ความดี ค, มดคือรู้ว่าความดีเนี่ยรออยู่ข้างหน้าก็มุ่งปฏิบัติเพื่อจะให้รับความดีนั้นโดยการตั้งใจฟังคําสอนหรือคําตักเตือนแล้วก็ยินดีทําตามคําสั่งสอนคําตักเตือนตลอดถึงรู้คุณของผู้ตักเตือนหรือผู้ที่สอนว่าเออเขาที่ตักเตือนเขาที่สอนเราเนี่ยคนเขาบอกคุมทรัพย์ให้เราเนี่ยนะ ถ้าคนคิดแบบนี้นะถ้ามีใครเตือนนะแล้วก็าโอ้คนคนนี้บอกกลุ่มทรัพย์ให้เราเนะี่ยถ้าเข้าใจอย่างนี้เสียก็ก็เป็นสิ่งที่ดีก็เป็นสิ่งที่ดีดังที่พุทธโอวาทตัดแก่เครือข่ายบรรปชิตว่าถ้าคฤหัสถาหรือบรรปชิตทําเป็นคนว่าง่ายเพราะเห็นแก่อามิสสินจ้างรางวัลก็ไม่ทรงรับว่าเป็นคนว่าง่ายส่วนผู้เป็นคนว่าง่าย ที่เห็นแก่ความดีมีคุณธรรมคือความเป็นผู้ว่าง่ายอันเกิดขึ้นในจิตใจอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยตามความหมายของมงคลข้อ น, นี้พึงสังเกตบอกว่าจิตใจที่รู้สึกในขณะรับคําสอนถ้าจิตใจมีความว่าง่ายแล้วก็จะมีความรู้สึกสองสถานนะเออถ้าเราสังเกตนะ น, นะว่าเราเป็นผู้ว่าง่ายหรือไม่เนี่ยเนี่ยก็ให้สังเกตใจเราถ้าเราในขณะที่เรารับคําสอนเนี่ยนะหนึ่งรับคําสอนด้วยดี คือเป็นคนมีลักษณะไข่ที่จะฟังอยากรู้อยากเห็นสนใจศึกษาไอ้อย่างนี้แสดงว่าเราเนี่ยมีเชื้อของความว่าง่ายนี่นะประการที่สองก็คือว่ารับทำตามด้วยดีคือเป็นคนเบื่อได้ยินได้ฟังคำสอนที่มีมาแล้วเต็มใจที่จะทำตามคือบอกว่าถ้ามีคนตำหนิหรือว่าเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าไม่ต้องการอยากให้เขาว่าซ้าๆซักซ ก็ลักษณะอย่างเนี้นะแสดงว่าเออเราเนี่ยเป็นคนว่าง่ายนะถ้าว่าเวลาใครว่าอะไรปุ๊บเราไม่ทำแล้วก็เฉยๆเนี่ยนะและในใจก็ต้านต้านภายในด้วยอันนี้แสดงว่าเราเป็นคนว่ายากก็วิธีสังเกตตนเองนะว่าเป็นคนว่ายากหรือว่าง่ายก็ดูตรงนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่ารับรู้คุณของผู้สอนด้วยดีคือเป็นคนรู้จักคุณคือรู้จักความดีในตัวผู้ผู้ให้คําสอน และระลึกถึงคุณผู้ให้คําสอนไม่ว่าจะเป็นคนฐานะใดๆก็ตามก็เทิดทูนคนสอนในฐานะเป็นปูชนียบุคคลเมื่อเป็นบุคคลที่คนบูชาเนี่ยอโอ้ท่านผู้นี้เคยสอนเราอย่อางน้นลักษณะบอกว่าหนึ่งรับคําสอนได้ดีแล้วก็รับทําตามได้ดีแล้วก็รู้คุณของผู้สอนได้ดีเป็นสาประการนี่นะรับคําสอนเออบางครั้งเนะี่ยให้สังเกตดูนะว่าในชีวิตที่ผ่านมา บางทีเราไปฟังเรื่องอะไรเนี่ยเ ร, เ, รเราเราเราเว้นคนไม่ใช่ไม่ใช่ว่าง่ายคือใจมันไม่เอาอะใจไม่เอาเออท่านก็ ว, ว่าเขา่านไซโถ <c oughs> เราก็กายังเงี้ยรักษนายเงี้ยอันนี้ก็าเรียกวต้านต้านคําสอนทีนี้ถ้าใจมันต้านใช่ไหมสมมติว่าเออใจเราเนี่ยมีปกติที่มันไม่ว่าง่ายทีนี้เราจะปฏิบัติ เพื่อจะให้เป็นคนว่าง่ายเราจะทํำยังไงใช่ไหมเออเขาก็บอกว่าเราควรจะทราบบอกว่าไอ้ความว่ายากนั้นที่ว่าเป็นคนหัวดือ้อไม่ยอมรับฟังคําสั่งสอนของใครนั้นเนี่ยถ้าถามบอกว่าคนดื้อเนี่ยเป็นคนโง่หรือคนชลาดที่จริงเป็นคนโง่เป็นคนหญิงหรือไม่หญิงก็เขาเรียกคนหญิงโง่ด้วยยิงด้วยเขาเรียกโง่แกมหญิงใช่ไหมบวกกันเนี่ยนะคือว่าคือไม่ยอมรับคําตักเตือนของผู้อื่นมันมีอยู่ว่า ในคําสอนก็าปาปิดฉาเนี่ยความปรารถนาชั่วอาตตุกังสโกปะปาราวมะถิยกตนข่มท่านก็คือคือลักษณะของความดื้อเนี่ยมันจะเป็นบอกว่า1ปรารถนาชั่ว2ยกตนข่มท่านสาขี้โกรธก็ฟัดก็เฟียดลักษณะเนี่ยนะที่คนจะคนดื้อจะเป็นประการที่4ี่ก็คือผูกใจเจ็บแค้นเพราะโกรธประการที่5คิดเหยียดหยามเพราะโกรธประการที่6 คิดต่อว่าคิดต่อว่าต่อขานหมายความบอกว่ามันหาเรื่องไม่จะต้องว่าให้ได้อะใช่มถ้ามันมีเรื่องอะไรในในใจเนี่ยจะต้องจัดการให้ได้ลักษณะเนี้ยให้รู้เลยว่าตนเองเนี่ยเป็นคนว่ายากเป็นคนเดือดแล้วก็คิดขัดแย้งหรือคิดโตเถียงลักษณะอย่างนี้นะแล้วก็คิดตะเพิดหรือตะข้อขู่คิดย้อนหรือคิดคิดอยากจะย้อนกลับหามุมคิดย้อนกลับคน เนี่ยนะอย่างหนึ่งคิดกบเกลือนหรือคิดทับถมคิดนอกเรื่องหรือคิดจับผิดเนี่ยคิดปิดบังบางคิดลบลูคิดลิศยาเจ้าเล่มายาใจกระด้างดูมิน่นดูแคร์ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะเป็นกิเลส ท, ที่ทําให้เป็นคนว่ายากทีนี้ถ้าบอกว่าต้องศึกษาวิธีปฏิบัติและขัดเกลว์ก็หมายความบอกว่าชําระใจให้สะอาดผ่องใส เป็นอุบายป้องกันความเป็นคนว่ายากและรับเอาความว่าง่ายมาอบรมตนเองเนี่ยนะถามว่าจะเสริมตนให้เป็นคนดีว่าง่ายก็คือมีความปรารถนาดีไอความปรารถนาดีเนี่ยต้องน้อมเข้ามาในใจแล้วก็รู้จักทมตนเนี่ยนะแล้วก็ข่มใจไม่โกรธไม่ผูกโกรธไม่ถือโทษแล้วก็รู้จักถือ รู้จักสงบสงเงียมสัมรวมวาจาคล้อยตามในทางที่ถูกรู้จักเนี่ยเนียวล้างไม่วู่วามรับผิดชอบแล้วก็มองสิ่งที่ในความดีเกอมันมีอยู่คนคนหนึ่งนะเ ว, วันก่อนก็ไปที่โรงพยาบาลเขาก็มานั่งเล่าเล่าให้ให้อาจารย์ฟังเขาก็พาแฟนแฟน ก, ก็เป็นโรคไตเนี่ยนะนี่เขาก็เล่าให้ฟังแกก็บอกว่าตอนที่แฟนแกป่วยหนักเนี่ย แกก็นอกใจแฟนเจ้ผู้ชายเนี่ยแกก็มาเล่าให้พระฟังเฮ่ยก็ฟังนี่ทําไมมาเล่าให้เราฟังก็แปลกเรื่องตั้งที่ไม่ได้ถามนี่แหละแกก็บอกว่าแกก็ไปทีแรกก็ออกไปวิ่งออกกําลังกายตอนเช้าเช้าก็ไปเจอผู้หญิงคนนี้ก็เลยไปไปชอบขึ้นมาแฟนก็ไม่รู้เป็นปีเลยว่ากันหนึ่งพออยู่ไปอยู่มาแฟนก็ป่วยหนักเข้าน่ะเข้าเฮ้ทีนี้ความสํานึกรู้สึกตัวมันก็เกิด พอเกิดขึ้นมาปุ๊บเขาก็บอกกับผู้หญิงป่ายนี้บอกว่าเขาเนี่ยคงจะทิ้งแฟนเขาไม่ได้หรอกว่าตอนนี้แฟนเขาป่วยมากก็คุยฝ่ายหญิงนี่เขาก็เข้าใจว่ามั้ยพอเข้าใจก็กลับไปเขาก็เลยไปเล่าให้ให้แฟนเขาฟังก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวมีเรื่องจะเล่าให้ฟังถ้าหากคนที่ผิดแล้วมาสารภาพผิดเนี่ยจะยกโทษให้ไหม <c oughs> เข้าใจถูกเนี่ย เลาว็นึกเออเข้าใจพูดนีออย่ยองวันนี้แวนเขาก็าบอกว่าก็ายกโทษให้เขาก็เลยเล่าให้ฟังพอเล่าให้ฟังแค่นั้นเขาบอโอ้โหเป็นไปขึ้นมาเลยวเขาก็บนี่นี่นี่นเในสัญญาแล้วว่ยายกโทษแต่นี้ก็าเขาบอกว่าทุกวันเนี่ยเขาบอกงั้นทุกวันเนี่ยมีอะไรนิดหน่อยก็ไม่ได้ก็เอาเรื่องนี้มาพูดอยู่นี่นแหละผมก็ไม่รู้จะทํายังไงเขาบอกแกบอกว่า อาแล้วยอมพูดยังไงแกบอกแกก็เลยอุปมาบอกว่านี่ก็ผ้าขาวผืนเบลอเลยเนี่ยนะมันขาวหมดเนะนี่มันมีจุดดําอยู่นี้เดี้ยเกลียว <laughs> ไมไม่มองเลยตรงที่จุดดํา่ะทำไมไม่มองในสิ่งที่มันขาวตังเยอะแยะทําไมไม่มองถามว่าพูดแล้วเขาเข้าใจไหมเขาเข้าใจพักเดียวเขาอะเดี๋ยวเขาก็เลิกเข้าใจอีก <laughs> เดี๋ยวเขก็ไม่เข้าใจกันแล้วเขาบอกลําบากนี่เขาก็เข้าใจอุปมานี่บอกว่า บอกมองในส่วนที่ดีไงมองในส่วนที่ดีก็เลยที่จริงที่จริงก็เลยไปบอกยอมคนนี้บอกว่าเนี่ยที่ที่ยอมพูดอย่างเงี้ยยอมบอกว่าผ้าขาวตั้งอย่างใหญ่แล้วมีจุดนิดเดียวมันไม่ใช่นิดใ น, นเนี่ยปีนึงที่มนจุดใหญ่นะก็หัวร้ใหญ่ก็บอกอ๋อเป็นอย่างนั้นหรือก็บอกนี่ยอยอมอธิบายเข้าข้างตัวเองเนี่ยตั้งปีกว่านี่ที่ยอมหนีก็ไอยอมไปแอบมีคนใหม่เนี่ย มันไม่ใช่จุดนิดๆเนี่ยมันจุดเบอเลอเลยฉะนั้นต้องเห็นใจก็เวลาเขาจะพูดแต่บอกเอ๊ะถ้าอย่างนั้นผมอย่าพูดด้วยยังไงก็ <c oughs> ก็บอกเขาก็แล้วกันบอกว่าไม่ได้กลับไปทําอย่างเดิมอีกแล้วเดี๋ยวถ้าพูดมากๆเลยเดี๋ยวมันจะไปอย่างเดิมมันจะไม่ดีก็พูดก็เออดีเหมือนกันก็พูดเพราะว่าถ้ายิ่งพูดเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างที่พูดน <c oughs> รู้จักมองในแง่ดีรู้จักเปิดเผยแล้วก็ซื่อตรงรู้จักคุณของคนอื่นแล้วของตน แล้วก็ชื่นชมใจกว้างรู้จักฐานะที่ควรและไม่ควรแล้วก็อ่อนโยมอ่อนโยนนะนฉะนั้นมงคลจากความเป็นผู้ว่าง่ายเนี่ยความว่าง่ายเนี่เป็นมงคลเพราะว่าพัฒนาชีวิตให้เจริญก้าวหน้าตรงกับ ข, ข้ามกับความว่ายากถ้าเป็นไอความว่ายากี่เป็นอัปมงคลใช่ทีนี้ความว่าง่ายเนี่ยนยไม่ใช่ไม่ใช่เป็นคนหัวอ่อนนะ ไอคนหัวอ่อนที่เขว่ากันเนี่ยหันี่หัวอ่อนเนี่ยคนจะเรื่องกันถ้าว่าง่ายเนี่ยหมายความบอกว่าหมายความว่าเป็นคนที่อ่อนโยนต่อคุณความดีนะแต่ถ้าหากว่าเป็นความดีเนี่ยหัวอ่อนแต่ถ้าเป็นความชั่วนี่แข็งนะไม่ไม่ไม่น้อมไปกับความชัว่วลักษณะอย่างนั้นเขาเรียกว่าความเป็นผู้เป็นผู้ว่าง่ายนี่เป็นอย่างนี้เขาเรียกว่า โศว่าจัดสตาความเป็นผู้ว่าง่ายผู้ใดไม่มีมาหน้ามีใจเบิกบานน้อมรับคําสอนของบัณฑิตโดยเคารพผู้นั้นเรียกว่าเป็นผู้ว่าง่ายผู้ว่าง่ายย่อมได้รับประโยชน์ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าไม่มีใครก็รังเกียรจที่จะสั่งสอนเหมือนกับใครเหมือนกับพระราธะเนี่ยราธะพราหมณ์ที่บวชตอนแก่ใช่ไหมที่ภาษารีบุตรเป็นอุบาชานี่ย ท่านภาษาราบุตรจะสอนอย่างใดก็รับฟังโดยความเคารพไม่ได้มีมานะไม่ได้ถนงตนเราเป็นผู้แก่กว่าในไม่ช้าท่านพระราทะก็ได้บรรลุเป็นพระรหารอันนี้เป็นผลจากความว่าง่ายฉะนั้นความว่าง่ายเนะี่ยจึงจัดว่าเป็นมงคล น, นันสูงสุดนี่เป็นอย่างนี้นะี่ประการต่อมาก็คือว่าสมณานัญญาทัชนังการเห็นสมณะเป็นอุดมมงคลสมณะในที่เนี้หมายถึงบรรพชิตนะ บุคคลเช่นไรเรียกว่าสมณะการเห็นสมณะนี่คือทำอย่างไรสมณะเนี่ยเบื้องต้นนะสมณะก็คือคนสงบทั้งกรหัตและบรรพชิตทั้งหญิงและชายเนี่ยนะจะเป็นเพศไหนก็ตามถ้าเป็นคนสงบมีกิริยาสงบวาจาใจสงบเรียกว่าสมณะพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าคนที่จะถาคตเรียกว่าสมณะเพราะเป็นผู้ทําให้บ้านน้อยบ้าน ใหญ่สงบราบคาบได้ทุกส่วนคนเราหาเป็นสมณะเพราะศีรษะโลน้นมากคนที่ไม่บําเพ็ญพจน์แต่พูดพร้อยๆมีความฤิษยาอันเป็นคนโลภมากจัดว่าเป็นสมณะเช่นไหนก็หมายความว่าคนที่สงบกายเว้นจากกายทุจริศสงบวาจาเว้นจากวาจีทุจริตสงบใจก็คือเว้นจากมโนทุจริตลักษณะเช่นนี้เราะเขาเรียกว่าสมณะต้อว่า อบรมกายวาจาและจิตปัญญาเพื่อดับกิเลสสมณะที่หมดจากกิเลสเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยคงจะหาสมณะเช่นว่านี้ได้ยากในสมัยแต่ก็ว่าสมณะไม่ใช่จะไม่มีนะมีทุกยุคทุกสมัยฉะนั้นการได้เห็นได้เข้าใกล้ได้ฟังการตามบารลึกการอุปถาความลุงทั้งบรรพชิตทั้งพูดถึงพร้อมโดยการฝึกผลตนเองอย่างสูง มีปัญญาอบรมกายวาจาและใจเพื่อความสงบแจากกิเลสอันนั้นเรียกว่าการเห็นสมณะในมงคลก้อนนี้พระพุทธเจ้าของเราก่อนที่จะตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ได้เห็นสมณะคือพระพุทธเจ้าองค์ก่อนมาเนี่ยแล้วถ้าเราดูบอกว่าการเห็นสมณะนี่เป็นมงคลไหมบอกเป็นเช่นพระพุทธเจ้าใช่ไหมแนดีตเนี่ยก่อนที่จะมาตัดสู้เนี่ยได้รับพุทธปยากรจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนเนี่ยไม่ใช่น้อย ก็คือการเห็นสมณะฉะนั้นเมื่อเห็นพระพุทธเจ้าองค์ก่อนพระพุทธเจ้าของเราในปัจจุบันนี้ก็ตั้งอัธยาศัยปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าโดยเจตนาในการที่ตั้งจิตปรารถนาจะเป็นพุทธเจ้าเขาอานิสงส์ก็คือการได้เห็นสมณะในเด็งเป็นปัจจัยฉะนั้นการเห็นสมณะนี้จึงเป็นประโยชน์อย่า ง, างใหญ่หลวงนี่เป็นอย่างนี้ฉะนั้นเมื่อพอเห็นสมณะแล้วยังไม่ต้องการยกมือแสดงความเคารพเพียงแต่แลดูด้วยความรัก และด้วยความเลื่อมใสเท่านั้นก็จัดว่าเป็นผลในตาไม่เป็นตั้งหลายพันชาตก็บอกว่ า, างี้แค่เราเห็นสมณะเนี่ยนะเห็นพระเนี่ยไม่ต้องยกมือไหว้นะเห็นปุ๊บแล้วก็มองพระด้วยใจที่เมตตาแค่นี้เป็นพันๆเป็น ล, ล้านๆชาตินี่นะตาเราจะไม่เป็นต้อเลยคือเรามองได้ได้จิตเมตตามองสมณะมองพระด้วยจิตเมตตาเนี่ยแค่นี้นะแค่นี้ก็ทํากรรมทางโลกตาแล้วไม่ต้องยกมือไหว้นะ ถ้ายกมือไหว้อันนี้สองจะขนาดไหนใช่ไหมอันนี้แค่มองด้วยตาแล้วก็ทําจิตใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นทีนี้จะโกรธล่ะโอ้โหน่าไปหน่วงเหลือเกินนึงเห็นสมมาณะแล้วไปโกรธโอ้โหตาบิดตาเบี้ยวไม่รู้เท่าไหร่ไม่รู้กี่พันชาติเลยนี่เป็นอย่างนี้เออมนุษย์โดยส่วนมากไม่รู้นะว่าตนเองทํากรรมทุกๆขณะนั่นในขณะที่เรามองกนะันนึกไห ยิ่งคนที่ไปมองกันด้วยสายตาด้วยด้วยกามาลาคะาโอ้โหจะบาปแค่ไหนเนยะมองบอกผแล้วก็ทำลาคะาให้จดจ้องทางตาเนี่ยเคยสังเกตไหมสัตว์เดรัจฉานเนี่ยนะสัตว์เดรัจฉานเนี่ยทำคำไม่รู้ตัวกันว่นเนี่ยเขาต้องบอกว่าการที่บุคคลได้รับมนุษย์สมบัติก็เพราะมีบุญได้พบเห็นสมณะมาก่อน การได้รับผลเช่นนี้ไม่น่าอัศจรรย์เพราะมนุษย์เป็นสัตว์ที่มีปัญญาแต่สัตว์ที่มีความเชื่อถืออย่างเดียวไม่มีปัญญาได้เห็นสมณะแล้วได้สวรรค์น่าอัศจรรย์นะท่านก็ยกตัวอย่างบอกว่าในสมัยที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ถ้ำอินทศาลาคูหาเขตเมืองราชคฤห์ก็มีนกเขาอยู่ตัวหนึ่งอาศัยอยู่ที่ถ้ำนั้นทีนี้นกเขาแมวตัวเนี้เนี่ยก็ได้เห็นพระพุทธเจ้า พอเห็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยนกเขาตัวนี้ก็เลื่อมใสเมื่อพระผู้มีภาคเจ้าเสด็จไปบินธบาทตามไปก็ตามไปส่งได้นะบินพระผูตามไปส่งพระเจ้าเมื่อเสด็จกลับก็บินมารับวันหนึ่งนกเขาเนี่ยเห็นคณะสงฆ์หมู่ใหญ่แวดล้อมพระพุทธเจ้าในเวลาเย็นตอนเย็นเย็นก็เห็นแนละว่าพระนี่แวดล้อมพระพุทธเจ้าเออการแวดล้อมพระพุทธเจ้าเนี่ยมีหลายสถา น, นบางครั้งก็แวดล้อมเพื่อฟังธรรม บางครั้งก็แวดล้อมเพื่อเจริญพุทธคุณเจริญกรรมาฐานบางทีเนี่ยเนะี่ยพิกษุนสหมู่ใหญ่นั่งแวดล้อมพระพุทธเจ้าเนี่ยเนะียพระเจ้าก็เด่นอยู่ตรงกลางพระเหล่านั้นก็มองมองพระพุทธเจ้าแล้วก็เจริญพุทธคุณก็ เ, ออเป็นอย่างนี้นะียแล้วก็ไปมองพระพุทธโลกบางทีเจริญพุทธคุณไม่ออกไม่รู้จะเจริญข้อนนะั้นนี่เขาเจริญได้ก็ก็มีข้อมูลเยอะเขาก็เจริญตรึก อิติปิโสพระกวาเป็นต้นไปนตามลำดับนกเขาก็บินลงมาจากภูเขาประคองปีกทั้งคู่น้อมศีรษะลงทําอัญเชลีพระผู้มีพระภาคเจ้าทอดพระเนตรเห็นเลยก็ทรงแย้มพระโอสถเห็นไหมก็แย้มพระโอสถแย่งเราเนี่ยถ้าเห็นลักษณะงี้เรายิ้มแย่ๆหมดใช่ไหมแต่พวกเรายิ้มเนี่ยไม่ได้ลึกซึ้งในการยิ้มอะไรหรอก บาทีขำนี่มันทำอย่างนั้นก็ยิ้มเขาเรียกไอ้ยิ้มแบบมีเหตุเล็กๆ น, น้อยๆแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยเวลาแย้มพระโอษฐนี่พระองค์มองมองนาคตไปเป็นแสนกับนื้ถึงแย้มพระโอษฐและแย้มแบบมีเหตุด้วยท่านผ้านนจึงกราบทูลถึงเหตทุที่ทรงแย้มพระโอษฐ์พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่านกเขาตัวเนี้มีจิตเลื่อมใสสมนัตในเราทั้งหลายผู้มีศีลงามและมีธรรมงามในเบื้องต้นท่ามกลางไร้ที่สุดในครั้งนี้ ตายไปแล้วเนี่ยจะเกิดอยู่ในสุขติภูมิถึงแสนกับแล้วจะได้ตัดจรู้เป็นพระปัจเจกพรพุทธเจ้าชื่อว่าโสมนัสโดยอนิสงส์ที่ได้เห็นพระพุทธเจ้าและอริยสาวกแล้วเกิดโสมนัสเลื่อมใสนี่คือผลของการเห็นสมณะแล้วเลื่อมใสโอ้น่าคิดมากไหมเห็นแล้วแค่เลื่อมใสนเนี่ยนะแล้วก็บินรับบินสง่ง พระพุทธเจ้าบินบ่ายก็ บ, บินตามนิดหน่อยแล้วก็ขาก่าวกับบินออกมารับในทํานองรับรับ บ, บินมาต้อนรับอ่าพอเห็นว่าพระพุทธเจ้านั่งพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์มูอใหญ่ก็บินลงมาจากภูเขาโน้มเขารับเค้เอเขารบเนื้อโน้มหมุศีรษะเคารบเนี่ยอันนี้สองเนี่ยแสนกลับจะไม่ได้เจอทุกขติภูมิเลยขณะนี้เป็นนกเขานะเป็นสัตว์เรขาชันนะฉะนั้นพระพุทธเจ้านี่ช่วยได้เยอะจริงๆเราอย่าคิดว่า อุพระพุทธเจ้าช่วยอะไรเราไม่ได้เนี่ยคือว่าพระพุทธเจ้าเป็นอารามะนาปัจจัยอุปการะแก่นกเขาท่านนั้นตายไปแล้วป่านนี้อยู่สุคติแล้วนกเขา ต, ตัวเนี้ยอยู่สุคติภูมิแล้วพวกเราบุญน้อยเนี่ยถ้ามีบุญท่านอาจจะมาปรากฏเฉพาะหนะ้าจริงที่ท่านพูดวันนี้ทำ <c oughs> ไมเนี้เรามีบุญน้อยก็ เ, เลยหันแต่เรื่องเราไป ความจริงนืการเห็นสมณะปราศจากกิเลสนั้นเป็นมงคลอย่างน้อยก็เป็นกุศลวิบากทางตาใช่ไหเช่นเห็นเนี่ยจากขูวิญญาณที่เกิดขึ้นเป็นกุศลจากขูวิญญาณแต่ถ้า้าเห็นแล้วจิตเลื่อมใสโทสะความไม่ชอบใจอันเป็นอกุศลก็เกิดเออขออภัยสมมุติถ้าเห็นเนี่ยถ้าเกิดไอ้เลื่อมใสอันนั้นเป็นกุศลเพราะตัวตัวเห็นนี่เป็นวิบากที่ตนเองได้ทำไว้ แต่ถ้าเห็นปุ๊บยังกุศลอย่างศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นยังชาวนาที่เป็นกุศลให้เกิดขึ้นนี่เรียกเห็นแล้วกุศลจิตเกิดขึ้นเ ว, ว่าทําบุญเกิดขึ้นแต่ถ้าเห็นแล้วเนี่ยไม่เลื่อมใสโทสะเกิดขึ้นก็ได้อกุศลก็เกิดขึ้นมีเป็นอย่างนี้ฉะนั้นการเห็นเนี่ยเป็นบาปก็ได้เป็นบุญก็ได้ถ้าหากว่าเห็นสมณะเป็นบุญเป็นปัจจัยแก่การที่จะได้บรรลุได้ด้วยนี่เขาเรียกว่า การเห็นสมณะทีนี้ลักษณะของการเห็นท่านก็บอกเห็นด้วยตาเรียกว่าพบเห็นด้วยใจเรียกว่าคิดเห็นเห็นด้วยปัญญารู้เห็นเนี่ยนะเห็นสมณะเนี่ยสมณะไม่ทําอันตรายแก่ใครสมณะไม่เห็นแก่ลาบสมณะต้องบําเพ็ญสมณะรมสมณะต้องบําเพ็ญตบานเนี่ยนะทีนี้ถ้าเราเห็นด้วยตาเนื้อธรรมดาเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรหรอกแต่ถ้าเห็นด้วยกุศลวิบาก เฉยๆอันนั้นก็เป็นบุญธรรมดาเนี่ยเดี๋แต่ถ้าเห็นด้วยกุศลแะวิบากนั่นแหละแต่ว่าต่อมาปัญญาเกิดขึ้นจากการเห็นไอ้ตรงนี้แหละเขาเรียกว่าการเห็นสมมณะทีนี้ประการต่อมาก็คือว่าคนเราจะรู้จะเฉลียวฉลาดก็เพราะอาศัยการเห็นเป็นเหตุสําคัญสิ่งที่เห็นเนี่ยเป็นบทเรียนสอนให้เรารู้ว่านี้ดีนี้ชั่วนี้เป็นคุณเป็นโทษเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์เป็นต้นเหล่านี้ฉะนั้นต้องต้องดูลักษณะอย่างนั้น การเห็นสมณะนี่นะถ้าสรุปตามคำสอนตรงนี้ก็คือว่าเมื่อคนสงบให้สิ่งที่ได้อยากทำการที่ทำให้อยากคนไม่สงบจึงทำตามไม่ได้ฉะนั้นการเห็นสมณะนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้สุขติโลกสวรรค์พ้นจากอบัยภูมิได้นี่นะประการต่อมาก็คือว่าคนสงบลักษณะของการเห็นสมณะเนี่ยเป็นอุดมมรคล แล้วก็เป็นปัจจัยแก่การที่จะเจริญกุศลได้ตลอดกาลนานยาวนานเป็นไปในลักษณะอย่างนี้นี่คือเป็นมงคลในข้อที่ว่าการเห็นการเห็นสมณะประการมงคลต่อไปก็คือธรรมสากัะฉาการสนทนาธรรมตามการการสนทนาธรรมตามการเนี่ยนยีสนทนาในธรรมสนทนาด้วยธรรมและสนทนาเพื่อธรรมเนี่ยนยีถามบอกว่าธรรมสากัะฉาการสนทนาธรรมตามการเป็นมงคลเนี่ย กาวคือภิกษุผู้ทรงพระสูตรรูปสนทนาพระสูตรต่อกันภิกษุสองรูปผู้ทรงพระวินัยก็สนธนาพระวินัยต่อกันภิกษุสองรูปผู้ทรงพระพิธรรมก็สนทนาพระพิธรรมต่อกันเยภิกษุผู้กล่าวชาดกก็กล่าวชาดกต่อกันผู้ทรงอัตถกถาก็กล่าวอัตถกถาต่อกันในเวลาหัวค่ําในเวลาจนสว่างชื่อว่าเป็นการสนทนาธรรมตามการก็อีกประการหนึ่งก็คือว่า การสนทนาทำเพื่อบรรเทาความทอ้อแท้ความเสื่อมซึมความฟุง้งซ่านความสงสยัยความเดือดร้อนอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้ก็ชื่อว่าเป็นการสนทนาธรรมตามการก็คือว่าถ้าหากว่าเราฟุ้งซ่านนะยามใดเกิดความทอ้อแท้ก็หาเพื่อนอแล้วก็ยกหัวข้อธรรมะขึ้นมาสนทนาแต่ทอ้อแท้ว่าเฮ้ยไปเที่ยวกันหน่อยอันนี้ไม่ได้อันนี้อันนี้ไม่ได้ อันนี้เรเรียกสนทนาทอนน <laughs> เอาถ้าท้อแท้ทำยังไงไปหาอะไรอร่อยอร่อ ย, ออยกินกันหน่อยอันนี้ก็ไม่ได้คนเดียวนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนก็บอกว่าถ้าท้อแท้เสื่องซึมฟุง้งซ่านสงสยัยก็ยกข้อข้อธรรมมาสนทนา <laughs> นี่หันซ้ายหันขวาก็ไม่รู้จะไปสนทนากับใคร <laughs> ใช่ไหมไม่รู้จะสนทนากับใครไอ้ <laughs> สนทนาเองก็ศรัทธาไม่ถึง อยากแบนั้นเลยไปมองปลามองต้นไม้มองอะไรเข้าสวนแล้วก็ยังชัวง่วขุดดินฟันหญ้ามาคล้ยัชัว่วนี่วันก่อนก็พูดเรื่องว่าวันก่อนไปบรรยายก็เลยบอกว่าที่จริงเนี่ยเราเนี่ยไม่ได้อยู่คนเดียวในร่างกายของเราเนี่ยมีสัตว์อยู่เป็นจํานวนร้อยจํานวนพันที่นี้หมอที่เขาผ่าตัดลําไส้เนี่ยเขาก็มาเล่าให้ฟัง เขาบอกว่าลำไส้ของคนนี่เวลาตัดทีไรเนี่ยในนั้นจะต้องมีพวกพยาธิเป็นพยาธิเส้นได้บ้างพยาธิไส้เดือนบ้างหรือพยาธิไอตัวเหมือนกับไอเส้นก๋วยเตี๋ยวอะ่ะพยาธิชนิดเหล่ า, น เ, ข า, ขานล 200, เนี้ยเขาไข่วันละสองแสนฟองนะฉะนั้นเวลาตัดเขาออกไปตัดลำไส้ตัดทีไรเจอตัวนี้ดีอตัวพยาธิตัวตืดบ้างไอพวก ใส่เดือนเติมไปหมดกวางะไม่ตรงกับคําสอนพระพุทธเจ้าก็สอนบอกว่าอาหารที่เรารับประทานก็ไปสถึงสี่คำแรกเวลาตกเข้าไปท้องเนี่ยไอ้พวกพยาธิเราเนี่ยมันจะชูหัวกันสลอนเนี๋ยวิ่งมา่กินหมดเกลี้ยงเลยก็ว่างะเงี้ยเนี่ ย, เ, ยเวลาเราเราหยอดอาหารลงไปสองสามคำแรกและไอ้คาแรกๆกโดยมากเราจะเอาอาหารอร่อยอ่ อ, อ ย, ยใส่ลงไปเนี่ยใช่ไม่ใช่เนไปเลี้ยงมันเนี่ย ไอตัวพญาเขาจะคอยชูหัวกันสลอนแล้วก็วิ่งมากินหมดเลยประมาณสามถึงสี่คำก็อาหารเหล่านี้หนึ่งส่วนหนึ่งเลี้ยงพญาส่วนหนึ่งก็ไปเป็นอุจจราปัสาวะส่วนหนึ่งก็ไปเป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นอะไรต่างๆหลอเลี้ยงเป็นต้นหนึ่งมันจะมีว่าเอาไปเป็นอะไรเป็นต้นเออเขามาดูว่าเรานี่มันเป็นธาตุพญาแท้ๆฉะนั้นเราไม่ได้อยู่คนเดียวได้ไหมงั้นต่อไปคิดใหม่ เอาของไม่ดีใส่ไปก่อนสามถึงสี่คาแรก <c oughs> ไปเลี้ยงก็ดีอ่ะใช่ไหมเพราะให้อะไรเขากินอยู่แล้วทีนี้ถ้าเขาไม่มีอาหารเขาก็จะเล่นงานแล้วก็จะป่วยนี่เป็นอย่างเนี้มันไม่มีในร่างในขั้นที่บอกว่าสาัตว์สองเท้านี่เป็นสัตว์ไม่สะอาดใช่ไหมเป็นสัตว์ที่ไม่สะอาดเป็นอย่างนี้อันนี้ถึงแล้วด้านรู ป, ปกายนะถ้าด้านจิตใจก็เหมือนกัน ฉะนั้นถ้าเกิดท่อถอยเสื่องซึมฟุ้งสั้นสงสัยเดือดร้อนอย่างใดอย่างหนึ่งก็ต้องสนทนาทำตามการการสนทนาทำตามการในจดว่า